านเราพัฒนานำพาด้วยคนนาาุณธรรมน้อมนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาสถาบัาน คุณธรรม น, น้อมนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันท้าสถาบันสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เปิด เรื่องรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับทันโลกทันเหตุการณ์กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับเรานําเรื่องราวที่น่ารู้น่าสนใจมาพูดคุยกับกับท่านผู้ฟังนะครับในช่วงนี้นี่ก็คงมีการติดตามเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายลูกของรัฐธรรมนูญนะครับที่ว่าด้วยเรื่องการเลือกตั้งสสนะครับสอบอนะครับซึ่ง ก็ชื่อเต็มก็คือร่างพรบประกอบรัฐนูลว่าด้วยการเลือกตั้งสสและร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสวซึ่งตรงนี้นี่ผ่านสภาแล้วนะครับนะแต่ว่า อ, อย่างไรก็แล้วแต่เนียมีในส่วนของนายมีชัยฤชูพันธ์ประธานคณะกรรมการร่างรัฐนูลก็ทักท้วงก็บอกว่าอยากจะเสนอให้สอนอชนให้สารรัฐนูลตีความ นะครับซึ่งก็แย้งกันอยู่นะครับเนี่ยกับทางสอทชนะครั บ, นะรบว่ากลัวจะกระทบรถแมพซึ่งจากการเปิดเผยของนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยซึ่งเป็นรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็บอกว่านะกรณีที่นายมีชัยพชุพันธ์นะครับประธานคณะกรรมการร่างรัฐนูนนะครับทักท้วงนะครับอยากจะเนือที่ความนตรงนี้นี่ทางสภาเนี่ยยังไม่ได้พิจารณา นะเพียงแต่ติดตามการที่ให้ในายมีชัยออกมาทักท้วงหมายสัมภาษณ์นะครับนะเพราะว่าถ้ามีการยื่นให้สารบัญตีความร่างกฎหมายลูกสอ ส, อ, ส อ, อาจจะกระทบต่อรถแมพเลือกตั้งนะครับนะซึ่งโดยเฉพาะการลกกฎหมายลูกที่เกี่ยวกับสอสอสอ่สสวนร่างกฎหมายลูกสว่ก็ไม่มีผลนะครับเพราะว่าต้องเดินตามร่างกฎหมายลูกของสอสออยู่แล้วนะครับแตนะ่ซึ่งตรงนี้นี่ก็คง อาจจะต้องดูนะครับนะมีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าว่าจะจะเป็นอย่างไรส่วนนายกิติศักดิ์รัตนะวราหะซึ่งเป็นสมาชิกสนชนะ ค, คนหนึ่งของของสอนชเนี่ยนะครับก็เปิดเผยบอกว่าจริงๆแล้วก็ตนสนับนุนให้สนชเนี่ยยื่นสารชี้ขาดนะครับว่าขัดต่อรัฐนุนหรือไม่นะครับเพื่อให้เกิดความสบายใจนะครับแลก็ ีความเป็นในประเด็นไหนก็ก็แล้วแต่ทางนายวิษนุเครือ ง, งามนี่รองนายกนะสัมภาษณ์บอกว่ากรณีที่นายมีชัยรชุพันธ์ประธาน ก, กรททวงติ่งนะครับนะก็เสนอให้มีการให้กฎหมายลูกเนี่ยของรัฐมนูลเนี่ยนะครับว่าโดยสอสอ ส, อสอวอเนี่ยก็ให้สารคำานุณตีความซึ่งตรงนี้นี่ก็ แม้ว่านายมีชัยไม่มีสิทธิ์ยืน่นตีความตามข้อกฎหมายแต่ก็มีสิทธิ์ออกมาเตือนนะทักท้วงเสนอให้สนชได้ทราบได้นะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่ก็เป็นความเห็นนะครก็มีมีสิทธิ์ที่เสนอได้เหมือนกันนะครับว่ า, าแล้วก็คิดว่าจะไม่กระทบต่อรถแมพส่วนนายสมชัยศรีสุทธิยากรซึ่งเป็นกกตเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งมีการ โพส a c e b o o k แสดงความเห็นนะครับบอกว่ า, าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็มองว่าถ้าเกิดมีการยื่นตีความจะกระทบกับรถรถแมพแน่นอนนะครับนะใ น, ในความเห็นของนายสมชัยศรีสุทธิยากรนะครับเพราะว่ า, ากรณีที่มีการยื่นให้ตีความว่าแย้งหรือไม่แย้งนี่นะครับนะก็จะกระทบนะฮะเพราะว่าต้องใช้เวลาเต็มประมาณ330วันนะครับนะถ้า ในการที่จ ะ, ะมีผลบังคับใช้นะครับนะแต่กรณีที่ถ้าไม่มีการยื่นฟ้องศาลนี่ต้องใช้เวลาประมาณ330วันนะคือรอนาะยกทุนกล่าวโปรดเก้้าวันนะชะลอการใช้90วันแล้วก็เลือกตั้งให้เสร็จ1น0วันเะพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดนาะยกทุนกลาได้ในเดือนมีนาคม2 5 6 1เป็นต้นไปนะเดือนก็คือเดือนกุมภาพันธ์านะก็จะ ครบตามรถแมพก็จะมีการเลือกตั้งได้จัดนะจัด ก, การเลือกตั้งได้ทันทีแต่ถ้ากรณีที่มีการยื่นศาลนี่ก็ต้องทดเวลาออไปประมาณ2เดือนนะก็จะเลื่อนไปนะทำให้ล่าช้าออกไปนะยืดออกไปอีกนะครับเพราะฉะนี้ตรงนี้นี่ก็เป็นความเห็นของนายสมชายศรีสุธยากรซึ่งเป็นเป็นกกตนะครับก็นักกฎหมายก็มีความเห็นที่ ที่แยง้งที่แตกต่างนะครับ ก, กันไปคนละคนละทางก็คงจะต้อ ง, งติดตามดูแต่อย่างไรก็แล้วแต่ในกระบวนการ เ, าเกี่ยวกับเรื่องของพรรคการเมืองนี่ก็เริ่มแล้วเราจะเห็นว่ามีพรรคการเมืองใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับประมาณ 40-50 ิบห้พักนะครับนะมีการแจ้งจดชื่อกะทางกรกะตหลังจากนี้นี่คงจะเป็นกระบวนการที่จะต้องไปรวบรวมหลักฐานมานะครับนะทั้งสมาชิกทั้งผู้ปรกอบการทั้ง จัดกระบวนการในการที่ามามามาจดทะเบียนนะพักการเมืองอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนพักการเมืองเก่าๆนี่อาจจะต้องให้สมาชิกของพักนะฮะยืนยันมาว่ายังเป็นสมาชิกของพักหรือเปล่าแล้วก็มาแจ้งกับกกติกก็มีขั้นมีตอนอของแต่แต่ละแต่ละส่วนไปก็คงจะต้องติดตามนะครับนะต่อไปบรรยากาศคงคึกคักคึกคักขึ้นนะครับนะพักการเมืองก็อาจจะเริ่มที่จะมี กิจกรรมทางการเมืองได้เพราะว่าหลังจากนี้อีกสักพักหนึ่งก็จจะมีการเปิดไฟเขียวให้ในส่วนของพรรคการเมืองทำกิจกรรมนะทางการเมืองประชุมสมาชิกมาพูดมาคุยนะครับดูแลเกี่ยวกับเรื่องนะโยบายอะไรต่างๆนะเราก็เช่นกิจกรรมตรงนั้นนะครับมาละฟังเพลงสักเพลงก่อนที่จะมาพูดมาคุยกันต่อครับ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 ก็เธอเป็นคนพิเศษกว่าใครจะมาพิเศษกว่าเธอคงไม่มีอีกแล้ว <may> <you lift> <up> จากบูชาความรักที่เธอมีให้ฉันจากกี่เดือนก <may up> ี่วั <people> <up> น <may up> หรือปีที่ผ่านไป uh <huh> จากจดจำรำลึกพระคุณ เธอเป็นคนพิเศษกว่าใครจะมาพิเศษกว่าเธอคงไม่มีอีกแล้ว มาพูดมาคุยกันต่อนะครับในช่วงนี้นี่เราจะเห็นว่ามีกระแสข่าวเกี่ยวกับเรื่องข้าวข้าวสารเนี่ยนะครับนะราคาแพงขึ้นซึ่งตรงนี้นี่ก็ต้องดูนะครับในส่วนของกรมการค้าภายในนี่ว่ า, วาจริงหรือไม่ในขณะที่ชาวชาวนาเนี่ยยังขายข้าวราคาถูกอยู่นะครับนะ่ก็แต่ว่าข้าวสารทำไมแพง าจากการเปิดเผยของนายบุ ญ, ญยริศกันยานามิตรอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับก็เปิดเผยว่ากรณีที่ผู้ผลิตข้าวถุงปรับราคาจำหน่ายซึ่งจากการสอบสวนสอบถามผู้ผลิตข้าวถุงก็พบว่าไม่ใช่การปรับขึ้นราคาจำหน่ายข้าวถุงแต่เป็นการยกเลิกราคาส่งเสริมการขายหรือโปรโมชั่นนะครับซึ่งราคาข้าวถุงหอมมเลนในตลาดปัจจุบันก็เฉลี่ยอยู่ที่ถุงละ ประมาณ220บาทถึง300บาทต่อ5กิโลนะครับ5กิโลเนี่ย220ถึง300บาทขึ้นอยู่กับคุณภาพข้าวที่จำหน่ายนะโดยราคา300บาทต่อถุงอาจจะเป็นข้าวหอมมะลิอินซีนะครับซึ่งราคาจำหน่ายจะสูงกว่าปกตินะครับส่วนข้าวถุงหอมมะลิที่จำหน่ายต่ำกว่า200บาท ก็เป็นข้าวจัดโปรโมชั่นของผู้ประกอบการแต่ละแบรนด์นะซึ่งตอนนี้สถานการณ์ข้าวหอมมะลิในปีนี้ยอมรับว่าราคาข้าวเปลือกรับตัวสูงขึ้นมานะถึงตันละประมาณ1 5 0 0 0ถึง1700บาทต่อตันนะเนื่อ ง, งจากมีปริมาณข้าวหอมมะลิเข้าสู่ตลาดน้อยนะครับนะซึ่งนะก็อาจจะมีการชาวนาจะผลิตได้น้อยก็ได้นะครับจากเดิมที่คาดการว่าจะมีผลผลิตข้าวเปลือก หอมะลิประมาณ 9-10 ล้านตันก็ลดเหลือแค่7ล้านตันนะทำให้เกิดสภาวะแย่งกันซื้อราคาก็เลยสูงขึ้นนะแล้วก็มีการแข่งขันในตลาดข้าวถุงก็ทำให้ผู้ผลิตเนี่ยก็ต้องต้อ ง, ต, องต้องดูด้วยนะครับจะปรับสูงก็ไม่ได้ต้องสู้กันนะครับแต่เพราะฉะนี้ตรงนี้นี่ก็คิดว่าตอนนี้ราคาเข้าสารนะครับ ข, ข้าที่ขายอยู่ตามห้างตามอะไรต่างๆนี้ ก็คงจะจะไม่ได้สูงมากนักนะคงเป็นเป็นหน้าที่ของกรมการค้าภายในที่ต้องดูนะครับนะาราคาข้ า, ขาวราคาอาหารราคาสินค้านี่ต้องต้องไม่ให้สูงมากนะครับเพราะกระทบต่อคนยากคนจนเหมือนกันเพราะในขณะที่เศรษฐกิจก็ยังชะลอตัวอยู่นะฮนะนะซึ่งตรงนี้ในชาวบ้านนะก็ต้องพึ่งพาอาศัยนะสวัสดิการต่างๆนะครับรวมรวมทั้งนะ บัตรสวัสดิการคนจนเนี่ยครับทนะ่าที่ให้สวัสดิการผู้ยากไร้นะครับนําบัตรไปซื้อสินค้าตามตามร้านค้าโดยเฉพาะร้านที่มีเครื่องรูดบัตรเนี่ยนะครับนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านค้าขนาดใหญ่นะครับนะที่มีอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับนะซึ่งตรงนี้นี่ชาวบ้านก็จะไปใช้บริการอย่างไรก็แล้วแต่ในการกระจายก็ยังก็ยังมีปัญหานะในการทั่วถึงนะครับแนตะ่แล้วก็ อ ย, อย่างที่บอกแหละครับนะว่าอาการที่ชาวบ้านมีสวัสดิการนะครับแล้วก็ใช้บัตรไปซื้อตามร้านค้าขนาดจ่ายก็จะกระทบะต่อยอดขายของร้านค้าชุมช น, น, ในในในหมู่บ้านเพราะว่าเป็นร้านค้าขนาดเล็กนะครับแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้มีเครื่องรูดบัตรก็ทําให้ยอดขายจะตกนะซึ่งกระทบกันไปเพราะว่าชาวบ้านนี่ก็มักจะไปซื้อใช้บัตรสวัสดิการกันเป็นหลักนะครับในคงนี้คงจะต้อง รัฐนี่คงจะต้องมาดาเนินงานปรปับปรุงแก้ไขอีกทีนึงมาดูเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องโครงการอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงนะครับซึ่งน่าสนใจเหมือนกันเกี่ยวกับความร่วมมือกันระหว่างประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขงก็คงจะไล่มาตั้งแต่ในส่วนของไทยลาวนะครับนะกัมพูชาเวียดนามรวมทั้งจี น, นครับนะที่อยู่ริมแม่น้าโขงนะครับนะซึ่ง จากการเปิดเผยของนายกอบศักด์ภูตะกูลซึ่งเป็นน้ำตีประจำสำนักนายกก็มีการปารักถาพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาอนุภาคลุ่มน้ำโขงนะครับนะภายใต้การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคนะครับซึ่งนะตรงนี้นี่ก็บอกว่าภายใน15ปีในกลุ่มลุ่มน้ำโขงเนี่ยซึ่งประกอบไปด้วยไทยกัมพูชาลาวเวียดนามาแล้วก็ในส่วนของจีน นะครับนะมีบางส่วนของพมา่าด้วยนะครับนะก็จะเป็นพื้นที่ทีนะ่มีความร่วมมือเชื่อมโยงกันทั้งเส้นทางคมนาคมก็จะเกิดการพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจนะเพราะว่าตอนนี้ในเศรษฐกิจนะก็น่าจะมีการนะพัฒนาเฉลี่ยแล้วประเทศในกลุ่มนี้นะครับมีการเติบโตประมาณ 6.5 ถึง 7% ซนะครับซึ่ง ก, ก็ถือว่าเป็นตลาดที่เริ่มเติบโตแล้วหลังจากจีนมีการ เชื่อมทางรถไฟนะครับนะต่อมาโดยเพพาะรถไฟความเร็วสูงเนี่ยครับจากจีนมาที่ที่ลาวจากลาวมามาไทยแล้วครับมาเข้าที่น้องข่ายนะครับและโยงมาจนถึงในส่วนของฝั่งทะวันออกนะครับนะ่ะ Eastern seaboard ของไทยเราก็จะทำให้เป็นช่อนทางที่ที่ในส่วนของการค้าการขายการขนส่งสินค้าเนี่ยจะลงมาออกทะเลทางทางประเทศไทย ก็จะเปลี่ยนไปมากแล้วครับนะเพราะมีการเชื่อมโยงกันแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้นี่ก็ยังมีการตัดถนนเชื่อมโยงนะระหว่างฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกของของอินโดจีนนะ อ, อาเซียนนะเนะชื่อมจากดา น, นังไปที่พมา่านะครับนะที่เมืองของพมา่านะผ่านลาวผ่านไทยไปนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็จะทำให้ เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจจากพม่านี่เชื่อมไปที่อินเดียนะซึ่งมีกามีมีตลาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่ก็จะเชื่อมกันเลยนะครับเพราะฉะนี้ตรงนี้นี่ครับอกว่าเป็นยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างในส่วนของอีรวดีเจ้าพญาแม่โขงนะครับนะเชื่อมกันเลยทั้งระหว่างพม่านะระหว่างไทยกัมพูชาลาวเวียดนามนะก็มีอีกเส้นหนึ่งนะที่จะเชื่อมกันเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเกิด การค้าการขายนะกันกันมากเราจะเห็นว่าต่อไปเริ่มที่จะมีะพ่อค้ามีนักธุรกิจของเวียดนามเนี่ยนะมามาทํามาค้าขายในประเทศไทยเวียดนามลาวหรือกัมพูชาเราก็จะเริ่มเห็นรวมทั้งพม่าด้วยนะครับจะมีกิจการของพ่อค้านักธุรกิจนี่มาในขณะเดียวกันก็จะเห็นนักธุรกิจของไทยเรานี่นะไป ทำมาค้าขายอยูนะ่ในกัมพูชาในเวียดนามในลาวมากขึ้นนะครับเพราะมีการเปิดพรมแดนของประเทศให้มีการเชื่อมต่อกันได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี้คงจะต้องติดตามดูนะครับนะว่ามีการพัฒนากันในหลายๆด้านแต่ที่น่าจับตามองก็คือการที่มีการจะทำเส้นทางเดินเรือนะครับจากจีนลงมายัง ไทยนะฮะในส่วนของลาวกัมพูชาเวียดนามเนี่ซึ่งก็ต้องใช้แม่น้ำโขงนะครับซึ่งในหลายในหลายจุดของแม่น้ำโขงนี่ก็มีเกาะแก่งอยู่นะครับแล้วมีมีมีมีโครงการบางโครงการที่จะมีการระเบิดเกาะแก่งซึ่งในหลายส่วนก็บอกว่าจะกระทบต่อการขยายพันธุ์ปลาในแม่น้ำโขงหรือไม่นะครับนันก็มีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วย ก็ต้องติดตามเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วครับนะรวมทั้งจะมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่การแม่น้ําโขงโดยเฉพาะในในพื้นที่ของของประเทศลาวนะครับเพราะว่าก็ในส่วนของยุทธศาสตร์ของลาวนี่ก็วางไว้ว่าจะเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นประเทศที่จะเป็นแบตเตอรี่ของของอาเซียนก็คือจะมีการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำเนี่ยนะแล้วมาจําหน่ายให้ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะไทยเรานี่ก็เป็นลูกค้ารายใหญ่นะครับนะเพราะฉะ น, นั้นตรงนี้นี่จะมีการกระทบหรือไม่ต่อระบบนิเวศนะครับในส่วนของของแม่น้ำโขงนี่คงคงจะต้องดูนะครับมันจะมีโครงการหลายๆโครงการลนะครับนะที่จะเปิดขึ้นมาแล้วก็จะมีความร่วมมือกันมีการตัดถนนหนทางนะเชื่อมโยงกันนะครับนะเพราะฉะ น, นั้นตรงนี้คงจะต้องมีการจับตาดูเพราะการการพัฒนาเนี่ย ม, มีมีขึ้นใน หลายด้านนะครับนะในหลายๆด้านที่จะเชื่อมกันโดยเฉพาะการท่องเที่ยวนี่นะครับนะซึ่งไทยเรานี่ก็จะเชื่อมโยงกันราวกับกัมพูชากันได้ทันทีเลยพระว่าอย่างนี้นะครับเพราะว่าเป็นวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันนะโดยเฉพาะในส่วนของอีสานนี่ไทยเชื่อมกับกัมพูชาได้เพราะว่าปราศาสตร์หินนะครับในแบบอารยธรรมขอมในสมัยโบราณนี่ก็เป็นร่วมสมัยกับของกัมพูชา นะครับวนครวัดนครธมนี่ก็เชื่อมกับพนมลุงพีไมนะครับหรือว่าปราสาทสีคอนภูมิที่สุรินได้นะครับรวมทั้งปราสาทวัดภูที่ที่ในสอป ป, อปอลาวนะที่จำปาสักถ้ามีการทำเส้นทางทำเรื่องราวที่เชื่อมโยงกันก็จะดึงดูดนักท่องเที่ยวนี่มานะครับเพราะนักท่องเที่ยวถ้าเป็นคนยุโรปนะครับหรือว่าในส่วนของอเมริกาต่างชาติด ถ้าจะมาเที่ยวอนุญาตทำขอมนี่มักจะไปไปเริ่มที่นครวัดนครธมที่เมืองเสียมเรียบที่กัมพูชาก่อนนะครับนะ่ะพอตอนก็จะไปตรงนั้นถ้ามีการเชื่อมโยงนะักท่องเที่ยวมาม า, มาทางมาเที่ยวทางฝั่งไทยมาพนมลุ้งมาปราสาทหินพนมลุ้งเ ม, มืองต่ํานะครับนะหรือว่าในส่วนของพี่มายนะครับนะของนครราชสีมาก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับแนตะ่เพราะว่า ทำให้นักท่องเที่ยวในไหลเข้ามาในในประเทศนะเพราะว่ า, างอีสานเราก็เด่นเกี่ยวกับเรื่องอาการท่องเที่ยวเชิงเชิงวัฒนธรรมนะเป็นเป็นหลักนะครับนะก็ในส่วนของอีสานใต้นี่ก็จะเป็นอารยธรรมแบบขอมนะครับนะที่มีปราสาทเห็นเรียงรายกันตามชายแดนพรมแดนแลนะครับนะที่ศรีสะเกดก็จะมีเขาพระวิหารแล้วครับนะแล้วก็อุบลก็จะมีนะครับนะที่จะเชื่อมไปยังสปปลาวนะส่วนส่วนอีสานเหนือนี่ก็จะเป็น ทางด้านโบราณสถานหรืออารยธรรม ท, ที่เป็นแบบทวาราวดีหรือเ ป, เป็นแบบในเชิงของพุทธนะครพุทธมหายาณ น, นะฮินญานเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวที่จะฟืน้นฟูขึ้นมาที่จะเชื่อมกับทางสงปปลาวก็ได้นะครับเพราะมีความสัมพันธ์กันดีนะครับแนตะ่เพราะในตรงนี้นี่คงจะต้องมีการวางยุทธศาสตรนะ์ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวก็จะทําให้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 ออนลาให้เธอหันมาทางนี้ที่ตรงนี้ยังมีฉันให้กำลังใจให้เธอก้าวไปและเชื่อมั่นในจุดหมายที่มี จุดหมายด้วยความเข้มแข็งที่ตรงนี้ยังมีฉันให้กำลังใจให้เธอก้าวไปและเชื่อมั่นในจุดหมายที่มีข้างหน้าอย่าสิ้ศรัทธากับทางที่เธอเลือกเอง จุดหมายด้วยความเข้มแข็ง